เมื่อวานขาดสี่คนคนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุเข้าใจผิดแค่อยากจะดูไรสดนั่นแหละใค่คิดว่าต้องลงทะเบียนนะมีอีกสองคนจองไว้ก็ไม่ได้ดูว่าจองได้ ไม่ได้ไปดูมีสองคนคนหนึ่งมีธุระเรื่องธุระก็ช่วยไม่ได้หรอกบางทีมีธุระจำเป็นหรือว่าเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้ mm hmm. ก็แค่โทรมาบอกลวงหน้าใได้เอาคนที่สำรองไว้ขึ้นมาแทนคนอยากมาฟังธรรมเนี่ยเยอะนะ เรารองรับได้ไม่หมดยังมีคนที่ต้องการอีกเยอะเลยนี่อย่า ง, ยยงพวกที่จองไว้แล้วมีเหตุจำเป็นเหมือนจำเป็นได้ไม่ใช่จำเป็นไม่ได้ก็บอกก่อนไ ด, ได้เอาคนอื่นเข้ามาแทนที่ไม่เสียพื้นที่เปล่าๆถ้าไม่มั่นใจ ว่าจะมาฟังที่วัดได้ก็อย่าจองเลยฟังที่บ้านเนาะนี่หลวงพ่อเห็นพวกทีมงานพวกทิศพวกอะไรเนี้ยที่เคยบวชอยู่กับหลวงพ่อต้องมาแต่ ม, มืดเลยหกโมงกว่ากว่าก็ามาแล้วออกแากบ้านตีหฮาน พวกที่จะต้องมาทำงานนะลองถามว่ากุฏิว่างไหมมาพักได้พวกที่จะถามพระอาจารย์อาดูเพื่อมีห้องวัางอย่างี้ชาวมืดได้ไม่ต้องตะลีตะลานมาขับขับรถมาง่วงง่วงมาไม่ดีเดี๋ยวรอเขาอีกสองนาที แพวกเราปิดประตูไปแล้วนะเข้ามาแล้วเข้าไม่ได้บ้ายุคนี้เรียนธรรมะง่ายนะเปิดเน็ตก็เจอแล้วแต่บางทีอะไรง่ายแปมันก็ไม่ค่อยมีราคาไม่มีคุณค่าสมัยหลวงพ่อ เปเรียนบครูบาอาจารย์มันไม่ง่ายนั่งรถตัวนั่งรถไฟไปไปต่อรถเข้าหมู่บ้านบางทีก็เข้าไม่ถึงไม่ถึงวัดวัดอยู่เกินหมู่บ้านไปอีกอยู่บนเขาอยู่อะไรเงี้ย mm. ก็ต้องพยายามไปบทีไป ไม่ทันก็มีนะไปมันไม่มีรถจะเข้าหมู่บ้านไม่ยอมวิ่งก็เดินเอาบางที่ก็ขึ้นเขาขึ้นไปต้องเดินขึ้นไปเราอยากได้ธรรมะก็ต้องเอายอมแล้วบางครั้ง ไปถึงวัดแล้วครูบาอาจารย์ไม่อยู่ไม่ได้เจออย่างไปหาหลวงปู่สิมนขึ้นไปท่พาพระปรงทางวัดก็บอกว่าหลวงปู่เข้ากรุงเทพเราไปจากกรุงเทพส่วนทางกันบางครั้งไปครูบาอาจารย์ท่านอาพาธ เนี่ยไม่ได้เข้าไปกราบอุปสรรคมันก็มีอยู่เราก็ต้องอดทนเอาที่ก็ไปรอข้ามวันข้ามคืนให้อจะได้ส่งกันบ้านหลวงพ่าส่งกันบ้านไม่นานหรอกแปบ๊บเดียวนะครูบาอาจารย์หลายๆองค์เนะ ส่งกันบ้านโดยที่เราไม่ต้องพูดท่านตอบให้เลยนะเราไม่ต้องพูดหรอกไม่ต้องถามคำถามนั้นค่อนข้างเป็นส่วนเกินสำหรับนักปฏิบัติเริ่มจะฟุ้งซ่านฟุง้งซานเขคิดมากคิดมากก็สงสัยมากสงสัยมากก็อยากจะถามมากมากเป็นวงจรที่เอาทียาก มีอะไรขึ้นมาก็รู้ก็ดูเข้าไปของตัวเองจะยากอะไรนักหนาอย่างใจเราเศร้ามองขึ้นมานะก็มีสติรู้ลงไปมันเศร้ามองไม่ต้องไปดิ้นรนว่าทำยังไงจะหายเศร้ามองตามรู้ตามดูมันไปบางครั้งมีอะไรแปลกๆกเกิดขึ้นเราก็รู้ก็ดูไป มันรู้เหตุรู้ผลกันมามันก็หายไม่ใช่ไปพยายามทำให้มันดับสภาวะที่มันไม่ดีถึงเวลามันรู้เองอะพอรู้แล้วมันก็วางในนักปฏิบัติไม่ถามเยอะหรอกงที่เจอครูบาอาจารย์เจออย่างหลวงปูส่สิมนะ พอเห็นหน้าหลวงพ่อท่านก็กดมือเรียกนะ้วท่านก็บอกผูก้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกกิเลนไม่ได้อยู่ข้างในหรอกเนี่ยท่านรู้ทันว่าหลวงพ่อกําลังทําผิดอยู่เรียนกับหลวงพู่ ด, ดนท่าน์บอกอยากส่งจีตออกนอกหลวงพ่อก็เลยดูอยู่ข้างในก็เห็นกิเลนมันผุดขึ้นมา พูดขึ้นมาจากกลางอกมันขึ้นมาถ้ากิเลสมันแรงมันขึ้นมาครอบหัวเราอราคะแรงๆนี่หน้ามืดมันขึ้นมาหน้ามาืดหะในโทสะมันครอบหัวเราเลยกิเลสมันแรงกิเลสนอนๆมก็กรเพิ่มกับเพิ่ ม, มขึ้นมาเบาๆหลวงพ่อก็ดูอมันมาจากไหนนาะ กิเลสเนี่ยมันโผล่มาจากไหนเราพ่อรอแค่มันโผล่ขึ้นมาก่อนพอมันโผล่ขึ้นมานะเรามีสติรู้มันรู้เบาๆถ้ารู้แรงมันจะขาดสะบั้นไปซะก่อนแค่รู้แตะๆมันก็ค่อยๆหดตัวลงไปแล้วก็มีสติตามเรเลึกๆลงไปเรื่อยมันเข้าไปข้างในนะเลึกลงไป ก็ลึกลงไปนะมันเหมือนอยาหาที่สุดไม่ได้หลวงพ่อก็เลยตั้งใจวันนียถึงไหนถึงกันจะตามรู้ให้ได้เลยว่าต้นต่อของกิเลส ท, ที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนสมมติมันอยู่ในนครบาดาลอะไรงั้นจะตามลงไปดูสตีมจอลงไปเบาๆจอแรงไม่ได้นะมันขาดหมด ดูลงไปลงไปนะ้ำอยู่ๆมันสลายตัววัดไปหายไปเอาเราจะตามดูต้นต่อของมันยังไม่ทันเห็นต้นต่อของมันเลยมันดับไปแล้วเพราะก็กลับขึ้นมาข้างนอกถอนจิตขึ้นมาเดี๋ยวความรู้สึกอื่นก็โผล่ขึ้นมาก็ดูแบบเดียวกันอีกก็หายไปอีกเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่อย่างเงี้ยเจอหน้าหลวงปู่สิมนะท่านบอกผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกท่านเรียกหลวงพาวา่อว่าผู้รู้ ท่านไม่รู้ชื่อบอกผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกกนะิเลสไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกตอนนั้นฟังแล้วก็สงสัยนะหลวงปู่ดินย์บอกอย่าออกนอกเราเลยเข้าข้างในหลวงปู่สิมก็บอกอย่าเข้าไปข้างในงั้นเราอยู่กลางๆอยู่กลางๆไม่จับอะไรเลยนะอยู่กลางๆนึนกว่าหลวงปู่เทศท่านก็เคยสอนนะว่า ให้เป็นกลางพ่อก็เลยพยายามฝึกส่งจิตนะส่งจิตเคลื่อนเข้าไปหาอารมณ์พอมันเคลื่อนไปมันจะจับอารมณ์ล้วก็ไม่จับนะทวนกระแสเข้าหาตัวรู้พอจิตจะจับเข้ากับตัวรู้สติจะจับเข้าตัวรู้เราไม่จับนะทวนกระแสไปหาสิ่งที่ถูกรู้อีก ในที่สุดมันก็ดับลงตรงกลางระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ตรงนี้ไม่มีดินน้ำไฟลมร่างกายไม่มีโลกไม่มีดินน้าไฟลมไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่มีไม่มีอะไรเลยว่างสว่างบริสุทธิ์ดูดีดีแต่านนึกว่าโมอย่างนี้นิพพานนะ นี่ทางสายกลางเล่นอยู่พักหนึ่งนะก็รู้ว่ามันไม่ใช่หรอกอันนี้เราทําขึ้นมาเราเจตนาทําสภาวะบางอย่างขึ้นมาแล้วคิดว่ามันจะดีรู้ว่าไม่ใช่ร่วมเป็นสมาธิชนิดหนึ่งเป็นสมถะขึ้นไปกราบหลวงปุทธเทศนึ่งไปรายงานท่านเขาบอกผมสงสัยว่ามันจะเป็นสมาธิอะไร ท่านบอกใช่เป็นสมาธิอย่างหนึ่งแต่เล่นไว้ยุคนี้ไม่มีใครเล่นสมาธิคนที่ชํานาญเรื่องสมาธินั้นไม่ค่อยมีและท่านบอกอยางนี้พอบอกท่านว่าผมกลัวติดท่านบอกไม่ต้องกลัวถ้าติดอาตมาจะแก้ให้เองท่านบอกอย่างนี้ยผวงพ้าก็เลยท่านสนับสนุนเราก็เล่นใหญ่เลยเล่นอยู่อย่างนั้นนะรู้ว่าไม่ใช่ทางนะ รู้ว่าเป็นเรื่องของสมาธิครูบาอาจารย์บอกให้ทำก็ทำจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่หวดดื้อกครูบาอาจารย์วันหนึ่งไปเจอจันบุญจันว่าทำผาพึ่งท่านเลให้พระมาตามหลวงพ่อไปไม่รู้จักท่านนะท่านรู้จักเราเราไม่รู้จักท่าน ยันทัศนะครูบาอาจารย์อัศจรรย์ที่สุดนหลวงพ่อจะไปวัดสันติธรรมที่เชียงใหม่หไปกราบอาจารย์ทองหินรู้จักกันได้ไปรู้สิหลวงปู่ิมไปกลางคืนไปตื่นมีพระมันดักอยู่หน้าวัดมาบอกหลวงพ่อบอกว่าอาจารย์บุญจันทร์มา จากทผาผาพึ่งนะให้ไปหาหน่อยหลวงพ่อบอกไม่ไปเราไม่รู้จักแล้วมันมืดแล้วนะสักสองทุ่มมึงทุ่มสองทุ่มอะไรสองทุ่มไดู้ดไม่ถูกกัะลระาเทศาเลยอยู่อยู่จะไปหาท่านคำคำพระนั้นก็นตื้นนะพ่าก็ไม่เอาอเฟองคุยอยู่กับจันทร์ทองหิน เป็นชั่วโมงแล้วออกมาเนี่ยท่านยังยืนยืนรออยู่นหน้ากุติฉันทรองอินบอกให้ไปหาหน่อยพ่อเกรงใจท่านนะรูท่านนี่ตือสุดยอดเลยไปก็ไปให้ท่านพาไปเจอจันทร์บุญจันทร์ท่านชี้หน้าเลยภาวนาไงเล่าให้ท่านฟังนะท่านก็ตะคข้อกอังครูบาอาจารย์ไม่มาสอนนุ่มนวลน้านะบางองค์ ทั้งดูทั้งด่าถ้าเราไปโกรธท่านเราก็เสียผู้เสียคนไปเลยนท่านตะคอกอ า, าเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนั่น่างี้ท่านก็ถามว่าเราจะภาวนาไงอีกเล่าให้ท่านฟังซ้านะโดนท่านตะคอกครั้งที่สองจิตเหมือนก็หมดความยึดถือสมาธิชนิดนี้ไปเลยมันไม่สนใจที่จะเข้าอีกแล้ว นี่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปเรียนกับท่านนะบางองค์หลวงพ่อเจตนาไปหาบางองค์ท่านก็เจตนามาหาความเมตตาของท่านไม่มีประมาณไปเรียนกับท่านแล้วก็เอามาทําตรงไหนที่ท่านบอกว่าไม่ถูกเราก็ไม่ทําตรงไหนที่ท่านว่าควรทําเราก็ทำํำพยายามฝึกตัวเอง ไม่เชื่อกิเลสตัวเองไม่เชื่อความคิดเห็นของตัวเองไม่เชื่อคำสอนของครูบาอาจารย์แต่จริงๆหลวงพ่อฟังครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อก็ตรวจสอบนะจริงๆเคารพรักศรัทธาแต่ที่หนึ่งของครูบาอาจารย์เลยก็คือพระพุทธเจ้ายังถ้าครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อจะดูว่าสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าสอนไหม ที่ท่านสอนสอนมาก็สอนคล้องทั้งนั้ น, นแต่ว่ามันจะมีทริคมีทริคในการปฏิบัติซึ่งในคำภีรมันไม่มีอย่างพระไตรปิฎกหลวงพ่อพยายมอ่านนะก่อนจะเจอหลวงพู ด, ดุลนะพยายามให้สมาธินั่งมาแต่เด็กแล้วแต่เจริญปัญญาให้เป็นนะพยายามอ่านพระไตรปิฎกอ่านทั้งหลายรอบ ก็จับหลักไม่ได้ว่าจะเริ่มปฏิบัติได้ยังไงเจอหลวงปุดลนะท่านชี้ลงมาที่จิตนะพอเราได้จิตเราก็ได้ธรรมะคือเห็นธรรมะเนพะธรรมะทั้งหลายนะส่วนใหญ่ก็เกิดที่จิตธรรมะทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นรู้ได้จิตนะจิตเป็นคนไปรู้เข้า นั้นจิตมันเลยเป็นเรื่องใหญ่ได้จิตก็ได้ทำไม่ได้จิตก็ไม่ได้ทำหลวงปู่ ม, มั่นท่านก็สอนอย่างนี้นี่พอเราภาวนานะเรามีจิตใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานข้มาแล้วนะเราก็เห็นธรรมะที่มันปรากฏขึ้นอกุศลและธรรมก็เกิดขึ้นที่จิต นะรลภโกรธหลงทั้งหลายนะเกิดขึ้นที่จิตอกุศลธรรมนะมันเกิดที่จิตเราก็คอยรู้ไปกุศลธรรมเนะย่นศีลสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยะสติปัญญาอะไรพวกนะี้ก็เกิดที่จิตทั้งนั้นนะเราก็มีสติรู้ไปเพราะเรารู้อยู่ที่จิตนะมีสติรู้อยู่ที่จิตใจตั้งมัน่นเป็นคนรู้คนดูมีสมาธิที่ถูกต้อง มีสติะระลึกรู้สิ่งที่กําลังปรากฏมันก็เห็นธรรมะทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วผุดขึ้นมาอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปธรรมะทั้งหลายบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้สั่งไม่ได้ อย่างเราสั่งใจเราว่าจงมีความสุขมันสั่งไม่ได้มันไม่สุขด้วยสั่งใจเราว่าอย่าทุกข์มันก็จะทุกข์เราห้ามมันไม่ได้สั่งว่าจงมีสติตลอดเวลามันก็ไม่มีจงมีสมาธิมีความสงบอยู่มันก็ไม่สงบเราสั่งมันไม่ได้นี่เรียนรู้ไปเรื่อยๆในสุอรู้สภาวะทั้งหลายมันก็เป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับเนี่ยเราคอยรู้เท่าทันนะจิตใจของเราอากุศลเกิดขึ้นเราก็รู้กุศลเกิดขึ้นเราก็รู้ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้แล้วเราก็จะเห็นนะสภาวะทั้งหลายล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นอันนี้เรียกว่าอนิจจังสภาวะทั้งหลายมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับเราไปบังคับมันไม่ได้อันนี้คืออนัตตา นี่หลวงพ่อเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างเงี้ยมันได้หลักแล้วคือได้จิตมันได้จิตแล้วก็เห็นธรรมเห็นทั้งกุศลธรรมแลอะอกุศลธรรมทัมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ในจิตใจของเรานี่เองเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกไปด้วยนะจิตมันก็ค่อยฉลาดขึ้นสุดท้ายมันก็เข้าใจเวลาที่จิต มันเข้าใจนะมันเข้าใจในชั่วขณะแวบเดียวเท่านั้นนะมันเหมือนเราตัดต้นไม้นะฟันโครมโครงครมฟันหยุดวันหนึ่งละต้นไม้ยังไม่ลม้มถึงเวลาที่ต้นไม้จะลม้มฟันชับสุดท้ายนะต้นไม้ก็โค่นแล้เวลาที่จิตมันจะเข้าใจธรรมะเข้าใจในขณะจิตเดียว แต่ก่อนที่มันจะมาถึงขนาดจิตเนี้ยแรมเดือนแรมปีนะที่เราอยู่ต้องเจริญสติเจริญปัญญาตามรู้ตามดูจิตใจของเราไปจิตใจเป็นสุข ก, ก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้จิตใจเป็นกุศลก็รู้จิตใจเป็นอกุศลก็รู้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไป ถึงจุดหนึ่งปัญญามันถ่วนนรแสเข้ามาที่จิตมันแล้เห็ น, นกระทั่งตัวจิตผู้รู้เองเก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของที่เกิดดับเหมือนกันเป็นของที่บังคับไม่ได้เหมือนกันเหมือนกับสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่จิตมันเป็นธรรมชาที่เกิดร่วมกับจิตเรียกว่าเจตสิกเราก็เห็น สุทุกขๆๆดีชั่วเนี่ยเกิดดับหมุนเวียนไปเรื่อยๆพอมันเข้าใจนะ้รมันจะทวนทวนท ว, ว, วนกระแสเข้ามาหาจิตนั้นมันทวนกระแสจริงๆทวนเข้ามาถึงตัวจิตช่วงที่มันวางการรู้สภาว ะ, ะแล้วทวนเข้ามาหาจิตนี้ตัวนี้ขนาดเดียวเท่านั้นแว บ, บเดียวเท่านั้ น, นเป็นรอยต่อเป็นรอยต่อ ระหว่างโลกิยะกับโลกุตระมีช่วงขณะเดียวเรียกว่าโคตรภนะูตัวนี้เรียกว่าโคตรภูเมือมันทวนกระแสะเข้ามาถึงตัวจิตผู้รู้แล้วเนี่ยถ้าศีลสมาธิของเราสมบูรณ์แล้วนะอรยิยมรรคจะเกิดขึ้นจะทำลายอาสวะกิเลส ท, นะที่ห่อหุ้มจิตใจเราอยู่ จิตใจก็ยังเข้าถึงความว่างความสว่างความเบิกบานว่างว่างนะสว่างว่างในว่างกระทั่งความปรุงแต่งทั้งปวงว่างกระทั่งความคิดว่างกระทั่งสมมติบัญญัติมันว่างจริงๆแล้วแสงสว่างก็ปรากฏขึ้น ในธรรมจักร ภ, าภาัวัตรสูตรนะท่านบอกว่าอาโลโกตปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงในปริยัติเนี่ยที่ท่านสอนสอนจริงเราภาวนามาเรื่อยๆนะมีสติจเจริญสติปัฏฐานไปเลยทำมีปัศนากรรมฐานไปเลยสุดท้ายก็เห็นเข้าใจเกิดความเข้าใจ ตัเข้าใจคือตัวปัญญาถนะ้าเข้าใจในขั้นที่เกิดโล ก, กุตระก็เป็นโล ก, กุตระปัญญาสมาธิเป็นโล ก, กุตระสมาธิในขณะนั้นแล้นเราสะสมนะก็ค่อยภาวนาค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ของเราไปถึงจุดหนึ่งที่จิตมันรู้แจ้งเห็นจริงนะ มันเกิดปัญญามันรู้ว่าสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นหรือมันรู้ว่าสภาวะทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้มันรู้อย่างนี้จิตมจะเข้าโลกุตละจะเข้าในโลกุตละ เงื่อย่างเวลาในพระสูตรยังมีเยอะเล ย, ยเวลาท่านใดท่านหนึ่งยังบรรลุพระโสดาบันนะท่านก็จะรู้แจ้งขึ้นมาว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับท่านจะรู้อย่างนั้นงั้นทุกสิ่งที่เกิดรู้ได้ดับทั้งสิ้นร่างกายของเราเกิดขึ้นมาถึงจุดหนึ่งก็ดับ จิต ใ, ใจของเรามีเหตุเขาเกิดถึงจุดหนึ่งก็ดับถนะึงจุดหนึ่งก็ดับไปเนี่ยเฝ้ารูเฝ้าดูนะให้มันจนมันได้ปัญญาในบรรดาธรรมะทั้งหลายนะในโลกียธรรมทั้งหลายเนะี่ย สิ่งที่เป็นเลิศที่สุดในบรรดาธรรมะทั้งหลายคือตัวปัญญานะปัญญาเป็นเลิศที่สุดในบรรดาธรรมะทั้งหลายในฝ่ายโลกีะ้ะงันเราก็ต้องพยายามสะสมปัญญาปัญญาคือตัวความรู้ถูกความเข้าใจถูกเราจะรู้ถูกเข้าใจถูกได้เราต้องเห็น สภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงถ้าเราเขาเ้าไปแทรกแซงสภาวะแล้วนะจะรู้ถูกไม่ได้มันผิดตั้งแต่ตอนจะรู้แล้วงั้นสิ่งที่หลวงพ่อสอนพวกเรานะหัดรู้สภาวะไปสิ่งที่เรียกว่าสภาวะก็คือตัวรูปธรรมตัวนมามธรรมทั้งหลายนะนะั่นแหละเป็นสภาวะธรรม อย่งความสุขก็เป็นสภาวะธรรมความทุกข์ก็เป็นสภาวะธรรมโลภโกรดหลงก็เป็นสภาวะธรรมสติก็เป็นสภาวะธรรมสมาธิปัญญาอะไรเนี้ยเป็นสภาวธทรมนั้นแต่ละตัวโกรธเนี่ยก็เป็นสภาวะโลกก็เป็นสภาวะสิ่งเหล่านี้พวกเรามีอยู่แล้ว แล้วพวกเรารู้ก็รู้ไดนะ้อย่างเวลาใจเราโกรธขึ้นมาเนี่ยเรารู้ว่าใจเราโกรธมันจะไยากอะไรนะแต่ทาไมคนทั่วไปไม่บรรลุมรรคผลเพราะเวลาความโกรธมันเกิด น, นะมันมัวนสนใจสิ่งที่ทำให้เราโกรธอย่างเราเห็นคนเนี้ยเราเกลียดมันมากเลยเราเกลียดคนไหนมากนะเราจะสนใจมันมาก งันแทนที่เราจะเห็นว่าจิตกำลังโกรธนะเราไม่เห็นนะเรามัวไปเห็นคนที่ทำให้เราโกรธหรือสมมติเราไปซื้อเสื้ อ, อามาตัวหนึ่งนะเสื้อผ้าสำเร็จรูปสวยถูกใจแพงด้วยมีแบรนด์ด้วยานะซื้อมาถึงที่บ้านนะเราเพบว่ามีรอยขาดอยู่นิดหนึ่งนะโมโหตัวเองมากเลยว่าทำไมไม่ดูให้ดี จะเอาไปคืนเอาไปเปลี่ยนนะก็ะพูดเถึอเขาไม่ถูกแล้วนีไม่ดี <c oughs> เขาบอกเราเป็นคนทําขาดเทียงสู้ไอคนขายไม่ไหวนั่าเจ็บใจเวลาเจ็บใจทํายังไงก็ะจะดูบ่อยๆนะเวลาเราหยิบเสื้อตัวนี้มาดูเราก็จะดูให้ตรงที่รอยที่ขาดเนะี่ยส่วนที่ดีๆทั้งตัวเนี่ยไม่ดูหรอกนะโทอสามอยู่ตรงเนี้ย งั้นตัวไหนทําให้เรามีโทสะเราก็จะพุ่งความสนใจไปที่นั้นตัวไหนทําให้เรามีราคะเราก็จะพุ่งความสนใจไปที่นั้นตัวไหนที่ทําให้เราหลงเราก็จะพุ่งความสนใจไปที่นั้นเราเลยไม่รู้ว่าตอนนี้ยกําลังโลภหรือกําลังโกรธหรือกําลังหลงอยู่เพราะเราหมัวแต่สนใจสิ่งนี่ทำให้ให้โลภสิ่งที่ทําให้โกรธสิ่งที่ทําให้หลง มัวสนใจของข้างนอกหลวงปู่ดูลนท่านถึงสอนบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกคอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปอย่าส่งจิตไปนอกเนี่ยความสอนของท่านนะตรงไปตรงมาแต่สำหรับผู้เรียนนะมันเป็นคำสอนที่โหดมากๆ ก, กเลยครูบาอาจารย์รุ่นเก่าไม่แจกแจง สอนแบบกระชับมากเลยสั้นยิ่งหลวงพูดโดนเนี่ยขึ้นชื่อลือชาเลยว่าพูดประโยคสองประโยคนะแต่ครอบคลุมการปฏิบัติเอาไว้มากมายมหาศาลเลยอย่างถ้าบอกอยาโซงจิตออกนอกเนี่ยจิตที่ออกนอกคือจิตที่มีตัณหามีตัณหาเป็นตัวผลักดันให้ทยานนั้นตัณหาเลยมีคำแปลภาษาไทยว่าทยานอยาก เป็นความทยานอยากตัวตัณหาบทยานออกไปทยานไปทางไหนทยานไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทยานไปทางตาวิ่งออกไปดูอย่าเราขับรถอยู่ เ, เราเห็นข้างหน้ารถติดรถชนกันอะไรเงี้ยใจมันทยานไปดูขับรถนี่เลยชะลอะ ท, ท, ทั้งที่อยู่คนละฝั่งกับรถที่ชนนะ เราอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่ควรจะติดอะรถก็ติดด้วยเพราะทุกคนถูกตัณหาครอบงำอยากดนะูอยากดูรถชนกันไหไรกาชะลอชะลอไปเรืยในขณะนั้นใจอยากดูไม่รู้ว่าอยากเนะลืมตัวเองไปตัวเองชะเง้อดูฝั่งตรงข้ามแทนที่จะดูถนน ความสนใจมีอยู่ที่อื่นจิตมันทยานออกไปไปทางตาไปทางหูยังได้ยินใครเขาคุยกันกนะ็สนใจพยายามจะไปฟังทางจมูกนะมีกลิ่นอะไรแปลกๆนะอะไรก็จะสนใจดมอย่างตามศูนย์กรค้าพ่อเคยเจอตอนเป็นโยมพวกผู้หญิงไปซื้อน้ำหอมเขาจะมาทาที่หลังมือแล้วก็ดม ดมแล้วก็ทำหน้าทำตาอย่างโน้นอย่างนี้พอใจไม่พอใจนะบางคนก็ลองลิปสติกนะลองส่องกระจกสวยไม่สวยอะไรเงี้ยในขณะนั้นไม่มีสติเลยมันหลงมันหลงไปดนะูดูอะไรดูกระจกนะเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ทาลิปสติกเนาะผู้ชายก็ทาแล้วรักสวยรักงาม กลัวแม่สวยแม่งามบ้างแล้วกระทั่งพระนะ่็เห็นข่าวไม่กี่วันเนะี่ยเขาเรียกอะไรนะหลวงเจ๊ปากแดงหลวงเจ๊ปากแตงไม่ใช่หลวงพี่นะเป็นหลวงเจ๊ถ้ามีสตินะใจไม่หลงไม่ไหลไปนะก็ไม่ทำอะไรน่าเกลียดอย่างนั้นหรอก พยายามีสติรู้เนะื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจอยู่ไม่ใช่เอาแต่สง่งจิตออกนอกวุ่นวายจะคอยดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสในร่างกายหรือหลงไปคิดนึกในใจหลงไปเพ่งทางใจเป็นหลงของใจสิ่งที่เราจะได้จากการไม่สง่งจิตออกนอกนะคือสมาธิที่ถูกต้อง จิตจะทรงตัวเด่นดวงอยู่อย่างพวกพระเนี่ยบวชมาอยู่หลวงพ่อนะใช้เวลาเป็นเดือนเดือนในการฝึกที่จะให้ได้สมาธิที่ถูกต้องถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องจเจริญปัญญาไม่ได้จริงหรอกหลวงพ่อกล้าพูดเลยไม่มีสมาสมาธิปัญญาไม่เกิดหรอกนะั่นฝึกกันนานขนาดพระนะฝึกกันเป็นเดือนเดือนเลย บางองค์เป็นปีนแต่ละคนต้นทุนมันไม่เท่ากันไม่ใช่ต้นทุนมันไม่เท่ากันต้นทุนท่านไม่เท่ากันไปเรียกพรเป็นมันเคยปากันะนี่เป็นความเคยปากเรียกว่าศาสนาวิธีสอนจ น, นทั่งจิตตั้งมั่นนะนะที่หลวงปู่ดูลบอกอย่าส่งจิตออกนอกวิธีที่เราจะไม่ส่งจีตออกนอก คือมีสติรู้ว่าจิตออกนอกนะเคล็ดมันอยู่ตรงนี้เงหลวงปู่ไม่สอนนะแต่ว่าอาศัยฟังท่านแล้วมาลองมือทำทำทำนะเรามั่นใจแล้วไปให้ท่านดูท่านโอเคการที่เราไม่ส่งจิตออกนอกเพราะเรามีสติรู้ทันจิตที่ส่งออกนอกนะทันทีที่มีสติรู้ทันจิตที่ออกนอกนะจิตที่ออกนอกจะดับจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ การเวลาเราปฏิบัติเนะี่ยอยา่าพยายามทําให้ถูกแต่ให้รู้ตรงที่มันผิดอย่างจิตมันหลงออกไปดูเงนี้ยรู้ทันอ้าวหลงไปดูแล้วลืมตัวเองแล้วหรือเราหาัดพุดโทโธพุทโธทันหายใจอยู่พอมันหลงนะันมันจะลืมพุโทโธลืมลมหายใจอ้าวมันหลงไปแล้วอย่างเราพุโทโธอยู่เนี้เป็นงานในใจของเรามันหลงไปแล้วหลงไปคิดเรื่องอื่นนี่หลงทางใจเรารู้ว่าหลงไปคิดแล้ว ลืมพุโทโธไปนะตัวหลงคิดจะดับตัวผู้รู้จะเกิดเพราะงั้นที่หลวงปู่ดินบอกอย่าส่งจิตออกนอกแล้วเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องนะ้ตรงประโยคหลังนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังเองนะท่านสอนใ้ญญว่าอย่าส่งจิตออกนอกถ้าเราไม่ส่งจิตออกนอกเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องแล้วทําไงจะไม่ส่งจิตออกนอกหลวงปู่ดินบอกว่าธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอก งั้นอย่าไปพยายามทำให้มันไม่ส่งออกนอกเลยแต่ว่าเมื่อมันส่งออกนอกแล้วให้มีสติหลวงปู่ก็สอนเหมือนกันนะนะจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมูทยัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอิโรธอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกแต่เมื่อจิตส่งออกนอกแล้วมีสติมีความตั้งมั่นอยู่นะอันนี้ เป็นเป็นมักมีผลเป็นความพ้นทุกข์แต่ถ้าส่งออกนอกแล้วไม่มีสติไม่มีสมาธิที่ถูกต้องก็จะเป็นสมุทัยไปก่อทุกข์ไปก่อพพก่อชาติก่อทุกข์ขึ้นมานั้นวิธีปฏิบัติไม่ใช่ไม่คิดไม่ใช่ไม่คิดไม่นึกรปูุเดนบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดเพราะจิตมีธรรมชาติคิด ในพอคิดปุ๊บจิตเราลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วมีสติรู้ทันจิตคิดดับจิตรู้จะเกิดนั้นท่านบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ที่หยุดคิดได้เพราะรู้ทันจิตที่หยุดคิดเนี่ยคือคําสอนที่หลวงฟู่ดูนท่านสอนหลวงพ่อไว้นี้พอจิตเราตั้งมั่นถูกต้องดีแล้วเนี่ยท่านจะสอนการเจริญปัญญา ท่านสอนประโยชน์เดียวเหมือนเดิมสอนสมาธิก็สอนประโยชน์เดียวอย่าส่งเกี่ยวนอกสอนปัญญาก็สอนประโยชน์เดียวจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปนะท่านสอนอย่างนี้อันนี้ก็หมดเวลาลนะพวกเราไฟพาฟังเราในซีดีใน youtube ที่หลวงพ่อเทสเทสไว้นะมีทำยานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปนั่นะทำยังไง่ ไปฟังเอาเองก็แล้วกันมีให้ฟังเยอะแยะต่อไปให้ส่งกันบ้านครับสวัสดีครับเขากาดครับอ่าต่อไปช่วงส่งกันบ้านนะครับผมเดี๋ยวผมจะประกาศหมายเลขก่อนแล้วก็คนที่อาจจะส่งกันบ้านรบกวนยืนขึ้นนะครับผมเพื่อให้หลวงพ่อได้เห็นนะครับผมเบอร์เจครับผมฟังดีๆหลวงพ่อมาประมาณสี่ปี ตอนนี้เวลาปฏิบัติมันจะจงใจไปดูแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเพ่งมากไปขอคำแนะนำของพ่อด้วยครับรู้ว่าเพ่งนะก็ดีแล้วไม่ต้องหาทางว่าทำยังไงจะไม่เพง่งไม่ต้องทำอะไรรู้อย่างที่มันเป็นพอเพ่งไปแล้วถ้าเราอยากให้หายเพง่งอยากให้เลิกเพง่งเราจะยิ่งดิ้นรนมากกว่าเก่าเพราะงั้นถ้าเพ่งอยู่รู้ว่าเพง่งอยากจะเลิกเพง่งรู้ว่าอยากดูอย่างนี้ไปเลยนะ แล้วมันก็เลิกไปเองแหละเพราะการเพ่งเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันนะยิ่งดิ้นรนมากจะ ย, ยิ่งทุกมากนะยิ่งดิ้นรนมากก็ยิ่งห่างไกลธรรมะที่ไม่ดิ้นรนนะธรรมะที่พ้นความปรุงแต่งงั้นเราจงใจปฏิบัตินะเราก็ยิ่งดิ้นรนมากกว่าเขาอีกรู้สบายๆเพง่งรู้ว่าเพง่งตอนนี้ก็เพ่งน้อยลงแล้วละ่ะรู้สึกหรือเปล่า ก็ดูไปเรื่อยๆไม่ต้องหาทางแก้นะที่จริงการเพ่งมันเกิดจากโลภอยากดูอยากให้เห็นชัดๆมันโลภมันก็เลยเพ่งนะถ้าเราเห็นต้นตอแล้วเห็นใจที่โลภอยากปฏิบัติเนี่ยเห็นตรงนี้นะตรงนี้ดับนํำก็เลิกเพ่งแต่ถ้ามันเพ่งไปแล้วเนี่ยอย่าไปอยากแก้ตัวเพ่งแล้วมันหยุดหนาดมันแน่นเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ทุกข์เป็นตัววิบากเป็นผลละ ตัวผลละไม่ได้หลวงปู่ดูลเหตุต้องละผลต้องละใช้ยอมใช้นี่มันก็ดันไปเพ่งไวเองอะ่ะก็ทุกแหละแน่นๆ่นดูไปโดยไม่ไปวุ่นวายกับมันสุดท้ายมันก็ดับแล้วต่อไปถ้าสติเราเร็วขึ้นนะพอเราคิดถึงการปฏิบัติพวกมันอยากปฏิบัติมันเห็นใจที่อยากพอเห็นใจที่อยาก การเท่งจะไม่เกิดขึ้นค่อยๆเฝึกไปสนุกน้าอ่ะต่อไปครับหมายเลขสิบเจ็ครับผมยาวนิดนึงนะครับดูความกระเพื่อมที่กลางอกมานานสักพักสังเกตได้ว่าความกระเพื่อมจะกระเพื่อมแบบเดียวกันกับความไหวที่เป็นไปตามรูปอย่างรลอกคลื่นของน้ำหรือแบบเดียวกับใบไม้ที่ไหวไปมาหูได้ยินเสียงจะกระเพื่อมตามเสียงสูงต่าที่มากระทบ ลักษณะของการกระเพื่อมที่กลางอกเมื่อกระพบผัสสะภายนอกนั้นลักษณะเดียวกันกับการถ่ายทอดพลังงานหรือคลื่นจากภายนอกเข้าสู่ภายในทําให้เกิดเป็นสังขารเกิดดับอือากจะถามหลวงพวาะว่าใจความที่สรุปไปและเกิดจากการฟุ้งซ่านในธรรมปัญญาล้ำหน้าหรือวิปัสสุกิเลสเปล่าครับฟุง้งซ่านจิตหนูมันยังฟุ้งอยู่นะโมหามันเยอะเพราะงั้นหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ก่อน แล้วค่อยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปที่อื่นไอ้ที่พูดมาน่ยมันถูกแต่มันยังไม่ได้เห็นด้วยใจมันเห็นด้วยสมองอยู่มันยังเจือการคิดอยู่นั้นใจของเรายังมัวมัวมีโมหะปนอยู่ยันทำกรรมฐานสักอย่างเนึงพอใจเราเคลื่อนไปที่อื่นลืมมาหลงกรรมฐานเราคอยรู้ทัน อาจารย์เรามีสมาธิที่ถูกต้องเด่นดวงขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องคิดนำเลยเราคอยรู้คอยดูไปเดี๋ยวมันก็จะเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกขึ้นถ้านะไปคิดที่เมามันก็ฟุ้งไปเรื่อยๆแนะมันไม่ใช่ธรรมะหรอกนะเป็นความฟุ้งซ่านอ่าต่อไปครับหมายเลขยี่สิบสามครับ ช่วงปีใหม่หลวงพ่อให้การบ้านดูเวทนาสุขทุกข์เฉยๆโยมภาวนาดีขึ้นเห็นจิตเคลื่อนไหวได้บ้างเห็นกิเลสได้บ้างกระดขอคำแนะนำครับถูกแล้วละ่ะแต่ตอนนี้จิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่อยู่กับฐานจิตว้างๆออกไปอยู่ข้างนอกรู้สึกหรือเปล่าลองสายหน้าแล้วรู้สึกสิ็นะลงลงคิดนะหายใจ หายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวสบายๆเออหายนะ ใ, หใจไปสบายๆ ส, สงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างตวเนี้ใจหนีไปคิดละนะรู้ว่านะหนีไปคิดหายใจบบสบายๆจิตต้องการเครื่องอยู่นะจิตเราไม่ได้มีกำลังถึงขนาดจะตั้งมั่นเด่นดวงโดยไม่มีเครื่องอยู่หรอก เมราอยู่กับลมหายใจไว้พออยู่กับลมหายใจแล้วจิตมันเคลื่อนไหวจิตมันไปทำงานอะไรเนะี่ยคอยรู้ทันมันเราจะจะได้ก้าวหน้ากว่านี้สมาธิมันยังไม่พอแจมฟุง้งมันจะจายตัวออกไปครับหมายเลขสามสิบห้าครับผมโอเคก่อนนอนจะใช้วิธีภาวนาไปด้วยแต่รู้สึกว่าวทำให้หลับยากโน ยืนใหม่เหล็กมันบงังนะมันลบวนคลื่นสัญญาณของหลวงพ่อออกมาก่อนยินค้างไว้เลยได้ไหมครับผมเออยืนสักพักหนึ่งอ้าวนั่งได้คำถามนะครับผมก่อนนอนจะใช้วิธีภาวนาไปด้วยแต่รู้สึกว่าทำให้หลับยากแปลว่าติดเพ่งหรือตั้งใจมากไปหรือเปล่าครับไม่ใช่หรอกบางคนนะเวลาจะนอนนะภาวนาล้วก็หลับอย่างรวดเร็วเลย บางคนสติดียิ่งภาวนาตอนนอนมันจะไม่นอนหรอกบาทีไม่ดีสว่างอยู่ข้างในสว่างจนเช้าเลยนะอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันเยันเวลาถ้าเราต้องการนอนจริงๆเราต้องคลายความตั้งใจนะคลายสติให้มันอ่อนตัวลง หรือทำจิตให้เบาขึ้นกำหนดจิตให้ให้มันลอยขึ้นนิดห น, นึ่งเนถ้าจิตตั้งอยู่กับฐานอย่างนี้นะยังไงก็ไม่หลับทำจิตใ ห, ใ ห, ให้ให้คลายตัว้จิตคลายตัวแล้วเราบริกรรมเบาๆบริกรรมสบายก็จะหลับได้แล้วคำบริกรรมแต่ละอย่างก็ให้ผลที่ไม่เหมือนกันบางคนบริกรรมคำนี้นะเราหลับบางคน บริกรรมคำเดียวกันกับคนตะเกียบบริกรรมแล้วยิ่งตื่นนั่นเราไปดูตัวเราเองว่าถ้าต้องการหลับเนี่ยเราอยู่กับกรรมฐานชนิดไหนอยู่อย่างไรแล้วเราถึงจะหลับก็ดูเอาอย่างถ้าอยู่กับลมหายใจแล้วมันเคลิ้มง่ายถ้าอยากนอนเราก็ไปอยู่กับลมหายใจเดี๋ยวก็หลับ ถ้าอยู่กะลมหายใจแล้วจิตสว่างขึ้นมาเนยอย่างเงี้อยู่ได้ทั้งคืนเลยไม่หลับหรอกอยู่ได้เ น, นบางทีครูบาอาจารย์ท่านนอนน้อยนะนอนคืนหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงแร้วนะพอเรานอนไปเนะสักสัยีบหนึ่งพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วคราวนี้ไม่ค่อยนอนละใจมันก็ภาวนาขงมันไป ใจก็สว่างสบ า, สบายอยู่งั้นนะดีก็ต้องทำงานใจก็ผลิตธรรมะขึ้นมาถ้าไม่มีอะไรรบกวนให้ต้องผลิตธรรมะใจก็สว่างเฉยๆอยู่เนะฉนั้นเวลาภาวนาแล้วไม่นอนนะไปสังเกตดูจะปรับยังไงนะแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกเขาทำแค่นี้เลวันนี้กลัวนอนไม่หลับเหรอ นักปฏิบัติเขามีแต่กลัวจะนอนหลับอ่ะต่อไปครับ ต, ต่อไปนะครับหมายเลขห้าสิบสี่ครับผมหึ่ง น, นะครับโอเคภาวนาด้วยการเดินจงกรมมีเครื่องอยู่เป็นพุทธโธ ท, ทุกวันที่ภาวนาอยู่นี้มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าคะก็<อ>ภาวนาไปแหละถูกแล้วล่ะทำให้มันสม่าเสมอไปนะ ใช่ได้นะเราพยายามฝึกเข้าทุกวันทุกวันแล้วการภาวนามันไม่ดีทุกวันหรอกบางวันมันก็เจริญบางวันมันก็เสื่อมเห็นได้ไหมตรงเนี้ยเดินเหมือนกันทุกวันอะแต่บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีนั่นเป็นเรื่องปกติหน้าที่เราก็คือปฏิบัติไปดีก็ช่างไม่ดีก็ช่างอย่าไปอยากดีอยากดีมันจะไม่สงบหรอก ภาวนาไปสบายๆ บ, บางทีจิตก็สงบขึ้นมาสว่างสวยัยบางทีจิตฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเราก็รู้เฉยๆอย่าไปแก้มั น, นเดี๋ยวมันก็สงบของมันเองบางทีสงบอยู่เฉยๆบางทีสงบลงไปหน่อยนึงจิตไปเดินปัญญาเห็นสภาวธรรมเกิดดับเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่ห้ามมันแต่ถ้าเดินปัญญามากๆใจเริ่มฟุ้งซ่าน อันน้จงใจกลับไปทําสมถ ะ, ะอันนี้สลับไปสลับมาอย่างนี้ระหว่างสมาธิกับปัญญาทําสมถ ะ, ะวิปัสนาวิปัสนาไม่ทําเยอ ะ, ะสมถะทําให้ดีเมืจิตทรงพลังขึ้นมาจริงๆการเจริญปัญญาจะใช้เวลาไม่มากถ้าจิตไม่มีสมาธิที่ถูกต้องไปทําวิปัสนามันจะไม่เป็นวิปัสนา มัจะฟุ้งซ่านดังนั้นก็เวลาเราจเจริญปัญญากับความฟุ้งซ่านเนี่ยหลวงพระพุทธท่านเคยสอ น, นะการจเจริญปัญญากับความฟุ้งซ่านมันขาบเส้นกันนิดเดียว อ, อันหนึ่งมีสติกับสมาธิที่ถูกต้องอันหนึ่งไม่มีสมาธิที่ถูกต้องไม่มีสติฟุ้งซ่านไปดังนั้นเวลาใจมันฟุ้งซ่านเราก็อยู่กับกรรมาฐานของเราไปใจมันสงบแล้ว ตั้งมั่นแล้ใจมันทํางานมันจะคล้ายๆใจฟุ้งซ่านไม่จะทํางานแต่จิตมันจะตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่นะแล้นั้นปัญญามันจะเกิดมันจะแตกต่างกันนะระหว่างฟุ้งซ่านกับปัญญาแต่ตอนทํางานนะคล้ายๆกันคือมันไม่อยู่นิ่งหลวงพ่อพุธท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าตอนท่านเป็นเนดชนะ ท่านอยู่กับหลวงปู่เสาหลวงปู่เสากันตศีโลเป็นอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงพ่อพุธนี่เป็นเนนอยู่กับหลวงปู่เสาวันหนึ่งหลวงปู่เสาก็มาบอกหลวงพ่อพุธเจอหลวงพ่อพุธเจอเนนพุธหลวงปู่เสาท่านก็บอกว่าเนนวันนี้จิตของข้าไม่สงบเลยหลวงพ่อพุธท่านก็เล่าว่าตอนนั้นท่านสงสัยมากเลย ทำไมจิตไม่สงบจิตครูบาอาจารย์ระดับนี้สะอาด ห, หมดจดไปหมดแล้วทำไมยังไม่สงบได้ให้บอกว่าภาวนาเป็นแล้วถึงเข้าใจกระทั่งจิตพระอราหันต์นะมันยังมีสองลักษณะบางอันมันเป็นกุศลอยู่เฉยๆนะมันเป็นกริยาอยู่เฉยๆไม่เป็นกุศลเลยกุศลไปบางดวง มีปัญญาเจริญปัญญาบางดวงไม่เจริญปัญญาเนะี่มีความตางเพราะฉั้นวันนั้นจิตโลกโปูเสาเจริญปัญญาท่านเลยบอกว่าเน่งวันนี้จิตของข้าไม่สงบเลยจิตท่านอาจจะแสดงธรรมอยู่บางทีจิตมันแสดงธรรมนะแสดงของมันเองอนะไรเวลามีพวกโอปปาติกามาอะไรยนะ เทว ด, ดามาลมมานลยจิตมันก็แสดงธรรมแล้วมันจะไม่สงบเฉยเฉยอยู่เวลาไม่มีอะไรทําจิตมันก็สงบเฉยเฉยอยู่ตรงที่สงบเฉยเยไม่มีปัญญาก็จะมีสองลักษณะอันหนึ่งเฉยเฉยแต่มีความสุขนะอีกอันนึงเฉยเฉยก็เฉยจริงๆแต่ก็ยังมีหลายลักษณะ สนุกนะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปมีอะไรอัศจรรย์มากมายในคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับต่อไปนะครับหมายเลขหกสิบเก้าครับผมคำถามนะครับกลางปีพันษาปีห2สิบสองผมนั่งสมาธิก่อนนั่งผมทำเหมือนจิตจะเพ่งแต่พอคิดว่าจิตจะเพ่งจิตมันก็ม้วนแล้วก็สว่างขึ้นมาอมตอนนั้นก็ยังงงๆอยู่ ครับจากนั้นปากมันก็ยิ้มจนสุดแล้วทุกอย่างก็เป็นปกติระยะเวลาที่เกิดน่าจะประมาณยี่สิบวินาที อ, อยากทราบว่ากายยิ้มกับจิตยิ้มของหลวงพ่อเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าของผมเป็นดิมิตทางกายครับพูดยากนะมันถ่ายทอดไปทั่วโลกเลยสังเกตเอาเองก็แล้วกันเวลาใจเราเผลอ และคิดนอนคิดนี่ยมันรู้สึกไหมว่าจิตนี่คือตัวเราใช้สังเกตใจ่นี้เอาดูออกไหมตัวเรามันยังอยู่ตัวเรามันยังอยู่ค่อยๆดูไปค่อยๆสังเกตไปยังเป็นเราอยู่ เงี้ยเวลาทำสมาธิบางทีมันก็เบิกบานขึ้นมาสว่างที่มันม้วนเข้ามานะ้มันรวมเข้ามานะรวมเข้ามารวมเข้าฐานมันเห็นมันแบกออกไหมเนะแล้วเห็นมันสว่างขึ้นไหมเห็นมันเบิกบานขึ้นไหมพอถอยออกมาแล้ว ความเป็นตัวเป็นตนเหลืออยู่ไหมจุดสำคัญก็คือการวัดความเข้าหน้าของการปฏิบัตินะจุดสำคัญอยู่ที่การตรวจสอบกิเลสตนเองถ้าอริยมรรคเกิดครั้งแรกเนะีสักยทิฏฐิจะถูกทำลายไปสักยทิฏฐิเป็นความเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วตัวที่จะแตกหักก็คือตรงที่ตัววิญญาณตัวจิตเนี่ยเห็นว่าตัวจิตไม่ใช่เราลำพังการเห็นรูปไม่ใช่เราเนี่ยคนนอกศาสนาพุทธก็เห็นนี่พุทธเจ้าท่านบอกเองพุถุชนที่ไม่ได้สึับามสามารถเห็นได้ว่ากายนี้ไม่ใช่เรา แต่มีแต่อริยาบุคคลนะที่เห็นว่าจิตเนี่ยไม่ใช่เราแล้วเราลองสังเกตเวลาที่สภาวะแปลกๆเกิดขึ้นเราสงสัยว่าบรรลุมรรคผลหรือเปล่าให้เราสำรวจใจของเราใช้เวลานานๆหลายๆเดือนอย่างสักสามเดือนค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปว่ามันมีกิเลสเวลาเผลอๆ มันมีความรู้สึกว่าเรามีเรามันโผล่ขึ้นมาไหมมีเราอย่างจริงๆเป็นเราในความรู้สึกคอยวัดเนี่ยวนี้ถ้ามีอยู่ก็สักกายทิฏฐิยังขาดไม่หมดแ้วยังเหลืออยู่ที่จิตตัวต่อไปก็คือความลังเลสงสัยในพระศาสนาเขาไม่มี งั้นอย่างเราภาวนาแล้วเอใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เรา่านะความงมงายคิดว่าทําอย่างนี้จะดีทําอย่างนี้จะดนะียังงมงายอยู่นะทําอะไรที่นอกคําสอนของพระพุทธเจ้านะอย่างบางคนนะอยากภาวนานะอยากได้มากผลนะแต่ทําสิ่งที่นอกเหนือคําสอนพระพุทธเจ้า ของคุณอาจจะไม่มีแต่บางคนมีอย่างคิดว่าเราต้องแก้กรรมต้องไปถามหมอดูก่อนว่าใครเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราเราต้องไปทําพิธีขอขมาเขาถ้าขอขมาแล้วเราจะภาวนาดีมันภาวนาไม่ดีมาตั้งแต่เริ่มคิดอย่างนี้แล้วนี่คือศิลพัตตประมาทความงมงายไม่มีอะไร เกินกว่าการทำสมถะและวิปัสสนาด้วยปัญญายิ่งนะถ้าเกินจากนี้ไม่ใช่แล้วตัวที่ดูง่ายที่สุดนะคือตัวยังเหลือเราอยู่นะเวลาเราคิดอะไรคิดอะไรนะมันมีคำว่าเราแต่คำว่าเราเนี่ยดูให้ดีมีสองอย่างนะนะอันหนึ่งสักแต่ว่าเรียกว่าเราอย่างนั้นเองนะเพื่อจะคิดให้รู้เรื่อง เราอย่างน้นเราอย่างนี้อีกอันหนึ่งมันรู้สึกว่าเป็นเราจริงๆถ้าสักกายที่ทีขาดเนี่ยคำว่าเราเนี่ยจะสักแต่ว่าเป็นโมหานเป็นคำพูดเท่านั้นนะแต่ไม่รู้สึกว่ามีเราถ้ายังไม่ขาดอยู่มันยังมีเราจริงๆไม่ใช่แค่โมหานดูออกไหมพอดูได้ยัง อย่างตอนนี้เราไปเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไว้จะดูไม่ได้เราต้องดูตอนใจธรรมดาธรรมดาตอนเผลอๆเผลอๆแล้วไอ้เมื่อกี้มันมีเรานี่ยวะต้องคอยดูอย่างนั้นอย่าไปเพ่งเอาไว้อ่อต่อไปครับต่อไปนะครับหมายเลขเจ็ดสิบสองครับได้ปฏิบัติในรูปแบบทุกๆวันวันละสาสิบนาทีพยายามถือศีลห้าตลอดหนึ่งปี นี้เห็นตลอดว่าจิตมีโทสะหล่อเลี้ยงใจเสมอเหมือนเป็นกองไฟแรงบ้างอ่อนบ้างอยู่กลางใจเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเห็นจิตเป็นผู้รู้หลงไปเรื่อยๆแบบนี้ปฏิบัติอยู่ในทางมหรือเปล่าครับแล้วมีอะไรต้องปรับปรุงอีกไหมครับปฏิบัติถูกแล้วนะแล้วก็ปฏิบัติได้ดีจิตใจก็เริ่มร่มเงย็นเป็นสุขแล้วดีขึ้นนั่นแหละแต่ยังดีไม่พอต้องทําอีก ฝึกต่อไปอย่างที่เราฝึกนี่แหละจุดที่ยังขาดคือสมาธินะ่ะกําลังของสมาธิยังอ่อนอยู่เพราะนทุกวันทําในรูปแบบแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนะคอยฝึกเรื่อยๆต้องมีเครื่องอยู่ของจิตตัวที่ทําให้เราได้สมาธินะก็คือมีสติอยู่กับเครื่องอยู่จะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้แล้วพอเขาหนีไปเรารู้ทัน สมาธิมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตอนนี้สมาธิยังอ่อนไปหน่อยหนึ่งนะแต่หลักของการปฏิบัตินะดูได้ดีแล้วลนะแต่กำลังที่ใช้ปฏิบัติเนี่ยยังอ่อนไปคนสุดท้ายนะครับหมายเลข7จสิบเจ็ดครับผมคำถาม น, นะครับ ช่วงนี้เวลาจิตมีแรงจิตจะไปดูการเกิดดับของนามธรรมาต่างๆดูความสัมพันธ์ของเหตุและผลไม่ได้เข้าไปให้ความหมายอะไรรู้แต่ว่านี่คือนามธรรมาหนึ่งๆแต่ระหว่างที่พิจารณาจิตจะทิ้งบริกรรมพุทโธ ท, ที่เป็นอารมณ์กรรมฐานสักพักหนึ่งก็หมดแรงแล้วหลงไปอยู่กับความคิดยาวๆขอเมตตาหลวงพ่อแนะนาว่าควรจะปฏิบตัติต่อไปอย่างไรครับเวลาจเจริญปัญญานะมัน mm hmm. จะใช้พลังของจิตมาก เพราะงั้นเวลาเจริญปัญญาเนี่ยเราจะทิ้งการทําสมาธิไปเลยเนี่ยไม่ได้ทุกวันแบ่งเวลานะไว้ทําสมาธิคืออยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปเรื่อยๆใจเรามีกําลังขึ้นแล้วเวลามันไปเจริญปัญญาเนะี่ยมันจะได้เห็นสภาวะถูกต้องนะแล้วมันจะไม่ดับไปอย่างรวดเร็วไม่หมดแรงอย่างเร็วนี่คนจีนหรือเปล่างั้นต้องรอเขาแปลก่อน ปลอยู่ค่ ะ, ะมีล้ามสดวันนี้ค่ะอ๋อแปลสดเหรอค่ะเออดีหลพ่อสัญญาณขาดไปแล้วไหนขอดูหน้าอีกที <c oughs> ข้าไปนั่งได้นะภา <c oughs> วนาดีอยู่แล้วละแต่ใจมันยังฟงุ้งอยู่ <c oughs> สมาธิยังไม่พอแต่สมาธิเนี่ยไม่ใช่ทำจนพอนะ พอถึงเราจะทำเต็มที่แนละ้วพอเราไปเดินปัญญาสักพักเดียวสมาธิมันจะเริ่มตกมันคล้ายๆแบตเตอรี่มือถืองนะั้นเราก็คอยชาร์จไว้บ่อยๆแล้วก็เดินปัญญาไปสักพักหนึ่งพอจิตห ม, หมดกําลังมันจะฟุ้งซ่านพอมันฟุ้งซ่านเราก็กลับมาทําสมาธิอีกนะกลับไปกลับมาสมาธิยังไม่พอนะการที่ดูนะดูได้ดีแล้วล่ะ กำลังสมาธิไม่พอเนี่ยปัญญาที่แหลมคมจริงจะไม่เกิดขึ้นนะดีนะเนี่ยที่หลงพ่อไล่สดนะมีถ่ายทอดไปหลายประเทศนะแล้วมีคนแปลมีภ า, ศ า, ศ า, Gina ารรษาจีนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษวันนี้มีไหมมีใช่ไหมมีหลายคน ดีล้คนเดียวก็เหนื่อยเกินเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อกับทีมงานพยายามทำนะก็คือสิ่งเหล่านี้แหละพยายามกระจายธรรมะออกไปไปสู่ที่ต่างๆทั้งในเมืองไทยทั้งต่างประเทศหวังว่าวันหนึ่งธรรมะเกิดสะดุดลงที่ใดที่หนึ่งที่อื่นยังเหลืออยู่ ก็ยังฟื้นฟูกลับขึ้นมาได้ไปรับกลับมาได้ครูบาอาจารย์ท่านก็พูดว่าวันหนึ่งมันก็หมดจากเมืองไทยคงต้องไปเรียนที่อื่นหลวงพ่อได้ยินท่านบอกอย่างนี้ก็เลยยำสอนใช้สื่อใช้อะไรนะมีทีมงานช่วยกันทำงานช่วยกันแปลวันหนึ่งหมดจากที่นี่ที่น้นยังอยู่เราก็ไปเรียนคืนมา เรียนคืนมามันเหมือนเราเวียนเทียนนะเทียนของเราดับเทียนของคนใกล้ๆเรายังมีเราก็ไปต่อเทียนคืนมาเสร็จแล้วของเขาดับบ้างก็มาต่อจากของเราอย่างตอนนี้คนต่างประเทศเขาก็ามาเรียนการปฏิบัติแต่อย่างฝรั่งเขาก็อชอบการปฏิบัตินะแต่มันจะไปทางสมาธิไปทางที่เมต จะไม่ใช่เรื่องสติปัฏฐานอย่างที่พวกเราเรียนกันคุรเบกันสวมากเขาพอใจแค่สงบยกเว้นบางคนเขามีบุญมีบารมีจริงๆนะเขาก็จะรู้สึกสงบอย่างเดียวยังไม่พอต้องเจริญปัญญาด้วยสิ่งที่หลวงพ่อสอนนี่มีทั้งเรื่องสมาธิทั้งเรื่องปัญญ า, างั้นถ้าเราเรียนแล้วเราก็ไปทำนะ พักเพียรอดทนก็วันหนึ่งเราว้ได้ช่วยกันรักษาสืบทอดาศาสนาหลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่คำฟ้าได้ถึงวันหนึ่งก็ไม่อยู่ลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ภาวนามีกำลังแล้วห้ได้ช่วยกันสืบทอดต่อไปเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนหลวงพ่อมาท่านก็ให้หลวงพ่อทำงานต่อไป อย่างหลวงพ่อพุธเนี่ยท่านสั่งเลยนะแต่แต่หลวงพ่ อ, อยังไม่ได้บวช น, นะหลวงพ่อพุธท่านสั่งเลยว่าคุณน่ไปเผยแพร่ให้คุณไปเผยแพร่ธรรมะนะคนที่จริตนิสัยอย่างคุณยังมีอยู่ถ้าเขาไม่ได้ฟังเขาจะเสียโอกาสท่านสั่งอย่างนี้หลวงพู่ดูลยนท่านเคยบอกแต่ไม่ได้บอกกับหลวงพ่อบอกกับลูกศิษย์ อีกคนหนึ่งบอกตั้งแต่ก่อนที่หลวงพ่อจะเจอท่านหลวงปู่ดู่นะบอกผู้หญิงคนเนี้ผู้หญิงนี้เข้าไปเป็นคนสุรินทร์นะรู้จักหลวงปู่เข้าไปลาหลวงปู่จะแต่งงานมาอยู่ชนบุรีตรงนี้หลวงปู่ท่านบอกอ๋อเมือน้ําเค็มเขาบอกใช่อยู่ริมทะเลหลวงปู่ก็บอกว่าต่อไปลูกศิษย์เราเนี่ยจะเอาธรร ม, มาของเราไปเผยแพร่ที่นั้น ท่านบอกอย่างนี้ท่านจริงครูบาาจารย์คล้ายๆท่านฝึกหลวงพ่อไว้เพื่อทำงานสึบทอดนะหลวงปู่สิมท่านก็เคยบอกพระที่อยู่กับท่านเมยโยมคนนี้ที่เพิ่งมาหาท่านเพิ่งกลับไปนะต่อไปจะเป็นกำลังของพระศาสนาที่ท่านคิดจะให้เราทำงานทั้งนั้นนะไม่ได้ให้เราเอาตัวรอดคนเดียวหรอก หลวงพ่อก็สืบทอดครูบาอาจารย์ท่านฝากปฏิฐานไว้พ่อก็ทำงานต่ออีแรกหลวงพ่อพุธสั่งให้เผยแพร่หลวงพ่ อ, อยังงงเลยเราจะเผยแพร่ได้ไงเราไม่มีเครื่องมืออะไรสักอย่างเลยไม่มีอะไรเลยเป็นข้าราชการเด็กๆนะตอนะนั้นชั้นผู้น้อย<ม>เงินทองอะไรก็ยังไม่มี ครูบาชาจารย์สั่งก็ต้องหาทางทรมหลวงพ่อก็เขียนธรรมะเขียนประสบการณ์การปฏิบัติส่งไปลงนะโลกทิมพ์เราไม่มีเงินพิมพ์เองเราก็าอาศัยข้าพิมพ์แต่ตอนนั้นถึงหลวงพ่อพิมพ์ก็ไม่มีคนอ่านหรอกเพราะเขาไม่รู้จักคนเราดูกันที่ยี่ห้อที่โลโก้ยังไม่รู้จักก็ไม่เอ นี่ก็ทำงานมาเรื่อยๆนะค่อยๆขยายตัวไปเรื่อยๆคนที่มีบุญบารมีร่วมกันมามีปณิธานร่วมกันมาก็ค่อยๆเข้ามามาช่วยกันทำงานถึงวันนี้มันก็กว้างขวางออกไปเยอะแล้วสมควรแก่เวลานะได้เวลาพอดีเดินทางกลับ อย่างปลอดภัยนะแล้วอย่าลืมกดนะเช็คอินแล้วก็อย่าลืมเช็คเอาเดี๋ยวทางราชการนึกว่าพวกเรามาอยู่ที่วัดนี้ข้ามวันข้ามคืน